อยู่ที่นี่ให้เรียบร้อยที่ใครที่มันอย่ามาลุกรานกันพูดถึงเรื่องกรรมส่งผลให้เรามีอาชีพอย่างไรเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเกิดในครอบครัวคนฆ่าไก่เขาก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นแต่ละวันเชือดไก่ไม่ต่ำกว่าร้อยตัวลูกตานี้เหมือนไก่เป๊ะเลยต่อมาสวดมนต์ภาวนามาสร้างบุญทานเป็นลูกศิษย์ท่าน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 ฉนั้นคนที่เคยทำบาปถ้าอยากกลับตัวก็ให้สร้างบุญทำทานรักษาสีให้เคร่งครัดแล้วก็ภาวนาอย่าให้ขาดหลวงตาท่านสอนว่าการภาวนานี้ทำได้ไม่ยากให้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างสม่าเสมอการสวดมนต์ยาวจะทำให้จิตเจ้าของสงบเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ให้มีบทสั้นๆท่องไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆ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 สิ่งอ่านโดยโจโฉ